วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าพฤศภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทว่างจากภารกิจการงานต่างๆจิงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ท ร, รมันประเสรศิฐทำที่จะทำให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย การที่จะศึกษาคือการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดผู้ฟังควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบือร่างกายควรจะนั่งอยู่เฉยเฉยไม่ควรจะทำอะไรวาจาก็ไม่ควรพูดคุยกัน ใจก็ไม่ควรคิดปรุงแต่งถึงเรื่องต่างๆนาน า, นาให้ตั้งอยู่ในความสงบด้วยการจดจอ่ออยู่ที่เสียงธรรมที่จะมากระทบกับหูและเข้ามาสู่ใจเวลาฟังธรรมจึงไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออก ไม่ต้องบิกรมพุทธโอพุทธโทพุทธโธให้ฟังเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวและไม่ต้องคอยจดจำเช่นไม่ต้องคอยเขียนบันทึกว่าได้ยินได้ฟังอะไรบ้างเพราะว่าการฟังธรรมนี้เป้าหมายของการฟังธรรมก็คือ ฟังให้เกิดความเข้าใจถ้าเกิดความเข้าใจแล้วจะไม่ลืมจึงไม่จําเป็นที่จะต้องจดบันทึกในสมัยพุทธกาลไม่มีการจดบันทึกสมัยพุทธกาลคนฟังส่วนใหญ่ก็อ่านออกเขียนไม่ได้กันไม่ได้มีการเรียนการรู้ทางด้านการเขียน ภาษาอะไรต่างๆไม่จำเป็นจะต้องจดจำฟังไปแล้วขอให้เข้าใจเพราะทมนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลถ้าฟังเข้าใจแล้วก็จะจดจำได้จะฟังอย่างเข้าใจก็ต้องมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังอย่างต่อเนื่องอย่าให้ใจ เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเวลาคิดเรื่องราวต่างๆจะไม่ได้คิดตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั่นเองก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่รู้เรื่องจะไม่ได้รับประโยชน์แต่ถ้าตั้งใจฟังฟังที่เสียงที่เข้ามาสัมผัส แล้วก็คิดตามนึกตามไปตามเหตุที่แสดงและตามผลที่แสดงถ้าเข้าใจก็จะจำได้ถ้าจะถ้าไม่เข้าใจก็ยังจะจำไม่ได้การฟังธรรมจึงต้องฟังหลายๆครั้งด้วยกันไม่ใช่ฟังเพียงครั้งเดียว แล้วจะเข้าใจทุกเรื่องที่ทำได้แสดงไว้เพราะการแสดงธรรมนี้แสดงเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปถึงขั้นสูงสุดผู้ที่ฟังธรรมนั้นจิตใจมีอยู่ในแต่ละขั้นไม่เหมือนกันบางท่านก็อยู่ขั้นที่หนึ่ง บางท่านก็อยู่ขั้นที่สองบางท่านก็อยู่ขั้นที่สามจิตใจของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมนี้มีการพัฒนามาไม่เท่าเทียมกันมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันการแสดงธรรมจึงจำเป็นที่จะต้องแสดง ให้กับผู้ฟังทุกๆระดับด น, นเวลาฟังธรรมถ้ายังไม่ถึงระดับที่ผู้ฟังอยู่ก็จะยังไม่ได้รับประโยชน์ก็อาจจะได้รับการทบทวนถ้าเป็นธรรมที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติผ่านมาแล้วพอได้ฟังอีกก็จะได้ศึกษาทบทวน และยืนยันว่าได้กับปฏิบัติมาอย่างถูกต้องหรือไม่แล้วพอมาถึงขั้นที่ผู้ฟังอยู่พอฟังแล้วก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงต่อไปได้การฟังธรรมจึงมีการแสดงเป็นขั้นไป ผู้ฟังก็ฟังไปทบทวนไปในขั้นที่ได้ผ่านมาแล้วส่วนในขั้นที่กำลังปฏิบัติอยู่พอได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นตามลำดับก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างถูกต้องต่อไปแล้วพอทำได้แสดง อยู่เนือขั้นที่ผู้ปฏิบัติผู้ฟังปฏิบัติอยู่ก็ฟังไว้สําหรับเป็นข้อมูลล่วงหน้าไว้ก่อนความรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนให้รู้ว่าต่อไปเมื่อได้ปฏิบัติสูงขึ้นไปจะต้องปฏิบัติอะไรต่อไปนี่คือหลักของการฟังธรรมฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถึงวิธีการปฏิบัติทำขั้นต่างๆเพื่อจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปถ้าเราฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเราก็จะได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือ ถ้าเรายังไม่เคยฟังธรรมมาก่อนพอเราฟังธรรมเราก็ได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนได้ความรู้ทางธรรมที่เป็นความรู้ที่ไม่มีที่ไหนจะสอนจะแสดงกันต้องมาที่วัดเท่านั้นถึงจะได้ยินได้ฟังธรรม ถ้าไปศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆจะไม่มีการสอนทำกันจะมีสอนแต่เรื่องของทางโลกกันเรื่องวิชาการต่างๆของทางโลกจะไม่ได้ยินได้ฟังธทำดังนั้นเวลาฟังธทำก็จะได้ยินได้ฟังธรรทำ ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วถ้าได้เคยได้ยินได้ฟังทำมาอย่างต่อเนื่องพอได้ฟังก็จะได้เกิดความเข้าใจในธรรมที่เคยได้ฟังมาก่อนพอาบางทีฟังครั้งแรกฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจพอฟังครั้งที่สองก็ จ, จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นมากขึ้น แต่ยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ยังไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติให้ได้ให้ถูกต้องให้เกิดผลขึ้นมาได้ก็เลยต้องฟังอยู่เรื่อยๆทำที่เราได้ฟังบ่อยๆต่อไปก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจขึ้นมาสามารถนำเอาไปปฏิบัติ เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อันนี้คือประโยชน์ของการฟังธรรมคือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกหลายครั้งก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นไปตามลําดับสาม จะกำจัดความนังเลสงสัยในเรื่องทำต่างๆได้สจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาหรือมีสัมมาทิติห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์ต่างๆที่ผู้ฟังจะได้รับ จากการฟังธทรรมถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ mm hmm. กายไม่นั่งทาอะไรวาจาไม่พูดไม่คุยกันใจไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. ให้คิดอยู่กับรรมที่กำลังได้ยินได้ฟังเท่านั้น mm hmm. ถ้าคิดตามได้ก็จะได้สัมมาทิตฐิ mm hmm. ถ้าคิดตามไม่ได้ ถ้าจดจ่อฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ก็จะทำให้ใจสงบเข้าสู่สมาธิได้การฟังธรรมนี้ได้ประโยชน์สองทางถ้าไม่ได้สมาธิก็ได้ปัญญาถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจยังคิดตามไม่ได้ก็ตั้งใจฟังอยู่ที่เสียงธรรม ให้เสียงธรรมเป็นอารมณ์เหมือนกับพุโทโธหรือเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. เสียงธรรมนี้ก็จะพาให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้ไม่ mm hmm. ว่านั่งเพื่อให้เกิดสมาธิ mm hmm. ก็นั่งแบบไม่ต้องคิดตาม mm hmm. ให้นั่งฟังตั้งใจฟังเสียงไปเรื่อยๆให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ เพื่อไม่ให้จิตใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอจิตใจเกาติดอยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆแล้วยังไม่มีสติกำลังพอที่จะควบคุม ให้ใจอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้ใจอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกพุทโธได้สองสามคำก็แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือดูลมหายใจเข้าออกก็ดูได้สองสามครั้งก็แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ามานั่งฟังธรรมมันจะง่ายกว่าเพียงแต่นั่งเฉยๆแล้วตั้งใจฟัง ให้มีสติจดจอ่ออยู่กับฟังการฟังธรรมพอใจเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยๆใจก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้บางท่านเห็นคุณประโยชน์จากการฟังธรรมคือช่วยทําให้เข้าสมาธิได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าถึงขั้นเต็มร้อยก็ตามแต่ก็เข้าอยู่ในขั้นที่ทำให้มีความสบายอกสบายใจทำให้ความวุ่นวายใจต่างๆความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนั้นสงบตัวลงได้ถ้าให้นั่งเองด้วยการบริกรรมพุทโธหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็จะไม่สามารถทำได้ นั่งเพียงห้านาทีสิบนาทีก็หมดกำลังอยากจะลุกขึ้นไปทำอะไรแล้วแต่ถ้าเปิดธรรมะฟังไปก็อาจจะนั่งได้ตลอดระยะเวลาที่มีการแสดงธรรมซึ่งบางครั้งก็จะยาวถึงหนึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่นั่งสมาธิเองไม่ได้ นั่งพุโทโธพุธโทโธเองแล้วจิตยังเผลอไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่งได้ไม่นานห้านาทีสิบนาทีก็อยากจะลุกอยากจะเลิกหรือดูลมหายใจไม่ได้ดูได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดจะอยากจะลุกไปทำอะไรต่อก็ลองใช้การฟังธรรมนีดเดีนั่งเฉยๆ เวลาฟังธรรมไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกให้ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์โดยที่ไม่ต้องคิดตามฟังเสียงไปเรื่อยถ้าคิดตามได้ก็คิดตามไปก่อนก็ได้เพราะทำขั้นต้นอาจจะง่ายต่อการความเข้าใจแต่เมื่อทำได้สแสดงขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นอาจจะ เหนือความสามารถที่เราจะเข้าใจได้พอเราไม่เข้าใจเราก็ฟังไปฟังเสียงไปใช้เสียงเป็นอารมณ์เกาะผูกใจไว้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะนั่งต่อไปได้จนถึงการสิ้นสุดของการแสดงธรรมใจก็จะสงบเย็นสบายเพราะในช่วงที่ฟังธรรม ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังฝึกสมาธิอยู่ยังไม่สามารถที่จะใช้พุโทโธหรือดู ก, การดูลมหายใจให้นั่งแบบนานๆได้แต่พอมาฟังเทศฟังธรรมก็จะสามารถนั่งได้อย่างยาวนานถ้านั่ง โดยใช้พุทโธหรือลมหายใจอาจจะได้เพียงสิบนาทีสิบห้านาทีแต่พอมานั่งฟัง ร, รมที่มีความยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งก็สามารถนั่งฟังได้อย่างสบายอันนี้เป็นการฝึกสมาธิสำหรับผู้ที่เริ่มต้นถ้าไม่สามารถนั่งดูลมหายใจของตนเองได้ หรือพุทโทพุทโทของตนเองได้เป็นเวลายาวนานก็ลองมานั่งฟังธรรมดูตั้งใจฟังเสียงธรรมไปตอนต้นถ้าฟังเข้าใจก็พิจารณาคิดตามไปได้พอถึงขั้นที่ไม่เข้าใจก็หยุดคิดตามให้มีสติจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมต่อไป ใจก็จะได้ประโยชน์คือได้ความสงบได้ความผ่องใสได้ความสุขนี่คือประโยชน์ที่ได้จากการฟังธรรมสำหรับผู้ที่นั่งสมาธิเองไม่ได้ก็อาศัยการฟังธรรมก็จะช่วยทำให้นั่งสมาธิได้นานได้และได้รับความสงบในระดับต้นๆได้ แต่ยังไม่ถึงขั้นเต็มร้อยแต่ถ้าหลังจากที่ได้นั่งได้นั่งฟังทำต่อไปสติก็จะมีกำลังมากขึ้นก็จะสามารถที่จะนั่งแบบที่ไม่ต้องฟังทำได้เช่นตอนต้นอาจจะนั่งฟังทำไปก่อนนั่งฟปงนกระทั่งการแสดงทำสิ้นสุดลงถ้ารู้สึก สบายมีความสงบจะนั่งต่อก็ได้ไม่ต้องเลิกพอทำแสดงเสร็จเราก็ใช้การดูลมหายใจเข้าอกต่อดูลมหายใจถ้านั่งมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็สติก็น่าจะมีกำลังมากขึ้นพอที่จะนั่งต่อได้ก็นั่งดูลมหายใจต่อไป ลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกนะให้รู้เหมือนกับที่เรารู้เสียงธรรมนะไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจไม่ต้องไปควบคุมบังคับให้หายใจสั้นหรือให้หายใจยาวให้ใช้ลมเป็นที่เกาะเหมือนกับใช้เสียงธรรมเป็นที่เกาะดูลมไปหายใจเข้า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 พอถึงขั้นที่รู้สึกว่าลมหายใจหายไปก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดปรุงแต่งว่าลมหายใจไม่มีแล้วจะตายหรือไม่ถ้าคิดแล้วจะเกิดความกลัวได้ให้ทำความเข้าใจว่าการที่ลมไม่มีนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หายใจเพียงแต่ว่าการหายใจอาจจะห่างไปที่ ห่างไปหรือละเอียดจนไม่สามารถรับรู้ได้ก็ให้ดูอยู่กับความรู้สึกความคิดกันแล้วกันว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือไม่ถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดอย่าให้คิดให้รู้เฉยๆไปเรื่อยๆให้รู้อยู่กับความว่างไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมา พอจิตนิ่งสงบนี้ก็จะมีความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจมีความสุขมีความปราศจากความรู้สึกลักชังกลัวหลงใจจะเป็นกลางเรียกว่าสมาธิสมาธินี้ก็มีสองลักษณะด้วยกันคือสงบแบบชั่วคราว คือสงบแบบเดียวเดียวสงบแบบสั้นๆกับสงบแบบยาวนานถ้าสงบแบบสั้นๆเราก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าสงบแบบยาวนานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิมีความสงบอยู่สองระดับด้วยกันคณิกะและอัปปนาสมาธิคณิกะนี้ก็จะเป็น ผลที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกขัดสมาธิเวลาจิตสงบใหม่ๆจะสงบได้เดียเด๋ยวๆเรียกว่าคณิกะสมาธิเพราะสติยังมีกำลังน้อยเบียบเหมือนเด็กที่หัดยืนขึ้นได้เดียเด๋ยวๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับลงมาคานใหม่เพราะกำลังของเท้าของเด็กยังมีกำลังไม่มากพอแขนกับขา กำลังนำแข้งของเด็กยังมีกำลังไม่มากพอพอลุกขึ้นมายืนได้สองสามนาทีสองสามวินาทีก็ต้องกลับลงไปนั่งใหม่ก ล, กลับลงไปคานใหม่สติของผู้ฝึกใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะนั้นยังเป็นลักษณะของทารกอยู่ยังกำลังลังหัดยืนกำลังหัดเดินอยู่ยังต้องล้มลุกคลุกคานอยู่ แล้วลุกขึ้นมายืนก็ยืนได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องกลับลงไปคานใหม่สติของผู้ฝึกหัดก็จะเป็นอย่างนั้นจะมีกําลังพอที่จะทําให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิได้เพียงแป๊บเดียวแบบนกกระจอะกินน้ําหรือแบบงูแลบลิ้นจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบชั่วขณะหนึ่งเ้าเรียกว่าขณะหนึ่งนี้เป็นคณิกะคณิกะสมาธิ แต่ถ้าฝึกต่อไปเรื่อยๆมีการเพิ่มสติให้มากขึ้นเช่นเวลาออกจากการนั่งสมาธิหรือออกจากการฟังธรรมก็ไปปฏิบัติต่อไปเจริญสติต่อด้วยการไปเดินจงกรมพอนั่งมานานแล้วเมื่อยนั่งต่อไปไม่สบายก็เปลี่ยนอิรลียบทจากการนั่งมาเดินต่อเดินก็ ใช้สติควบคุมใจเหมือนกับตอนที่นั่งเวลาเดินก็ให้มีสติกำกับอยู่กับเท้าที่เดินเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาะจะว่าก็ได้ไม่ว่าก็ได้เพียงแต่ให้รู้ก็ได้ให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายกำลังก้าวเท้าขวา อ, อย่าให้ใจไปที่อื่น ให้ใจอยู่กับการก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือถ้าชอบพุโทโธก็ใช้พุโทโธแทนซ้ายขวาได้ก้าวเท้าซ้ายก็ว่าพุโทโธก้าวเท้าขวาก็ว่าพุโทโธไปทำอย่างนี้ไปเดินไปจนกว่าจะรู้สึกเมื่อยอยากจะนั่งก็กลับมานั่งใหม่กลับมานั่งสมาธิต่อ ถ้าดูลมยังไม่ได้ก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนถ้าดูลมต่อได้ก็ดูลมไปเลยแสดงว่าสติมีกำลังมากขึ้นแล้วถ้าทำอย่างนี้ครั้งต่อไปเวลาจิตสงบจิตก็จะนจะสงบได้นานขึ้นจากคณิกะก็จะเป็นอัปปนาเคิจะได้เป็นนาทีถ้าได้เป็นวินาทีนี้ยังเรียกว่าเป็นคณิกะอยู่ แต่พอได้5นาที10นาที20สนาทีก็จะเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิต่อไปต้องพยายามฝึกสมาธิอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนให้สมาธินี้อยู่ได้นานๆเป็นชั่วโมงและสงบแม้แต่ขณะที่ออกจากสมาธิมาไม่ใช่แบบคณิกะถ้าคณิกะจะสงบเพียงแค่อยู่ในสมาธิ เชื่อไม่กี่วินาทีพอออกจากสมาธิมาก็จะฟุ้งเหมือนกับตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิอย่างนี้เรียกว่ายังไม่มีสมาธิยังมีน้อยยังเป็นเพียงแต่การได้สมาธิใหม่ๆจึงต้องฝึกสมาธิไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับการฝึกปัญญาหรือวิปัสสนา อันนี้ยังเป็นเรื่องที่ยังอยู่อีกไกลแต่รเรื่องเรื่องแรกที่จะต้องฝึกให้มั่นให้มีคำให้สมบูรณ์ให้พร้อมก่อนก็คือการฝึกสมาธิให้ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตนสงบทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้สติคอยกำกับคอยควบคุมใจต่อไป ด้วยการเดินจงกรมหรือไม่ว่าหรือว่าทําอะไรก็ให้มีสติเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปทุกขณะหรือถ้าจะใช้พุทโธมาคอยกํากับแทนก็ได้แต่ต้องมีสติคอยควบคุมคอยเฝ้าดูจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิมา ถ้าทำอย่างนี้ได้ต่อไปจิตจะสงบทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิมาเมื่อจิตมีความสงบทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิไม่ไปคิดฟุ้งซ่านไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆของกิเลสตัณหาก็สามารถที่จะเอาใจมา คือคิดทางปัญญาต่อไปได้การคิดทางปัญญาก็ให้คิดตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายนั่นเองว่าความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัส ร, รับรู้มาเกี่ยวข้องหรือมาครอบครองนั้นเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังนิจจังแปลว่าเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงเช่นบุคคลต่างๆที่เรารู้จักเขาเที่ยงแท้แน่นอนหรือว่าเขาเปลี่ยนแปลงร่างกายเขาเป็นยังไง ร, ร่างกายเขาเหมือนเดิมทุกวันหรือเปล่าหรือร่างกายของเขาก็มีการเจริญเติบโตมีการชราภาพเช่นถ้า เด็กก็จะมีแต่การเจริญเติบโตโตวันโตคืนไม่เจอกันหกเดือนกลายเป็นเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงร่างกายถ้าผู้ใหญ่ก็มีการชราภาพลงไม่เจอกันปีสองปีอ้าวรู้สึกแก่ลงไปเยอะขึ้นนี่คืออนิจังความเปลี่ยนแปลงของ สิ่งต่างๆที่เรามาพบเห็นมาเกี่ยวข้องด้วยเราต้องศึกษาเพื่อให้เราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดเพราะใจของเรามักจะชอบยึดติดกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้อยากจะให้สิ่งที่เราสัมผัสรับรู้นี่เป็นเหมือนเดิมพอเขาไม่เป็นเหมือนเดิมก็เลยทำให้ใจเราทุกข์นั่นเองนี่คือที่มาของ อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงพราะมันไม่เที่ยงมันก็เลยทําให้เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยงนีนี้เราความอยากให้มันเที่ยงนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากให้มันเที่ยงมันเป็นอนัตตาอนัตตก็คือมันไม่ได้อยู่ภายใต้คําสั่งของเรา ไม่ได้อยู่ตามความต้องการของเราเราต้องการให้เที่ยงแต่เขาไม่เที่ยงเราต้องการให้คนที่เราลักเราชอบมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายแต่ร่างกายของเขาไม่แน่นอนไม่เที่ยงบางทีก็สบายบางทีก็ไม่สบายและจิตใจของเขาก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ เราต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เรามาพบปะมารับรู้มาเกี่ยวข้องหรือมาครอบครองให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการดับลงไปได้มีการเกิดก็มีการแก่มีการเจ็บมีการตาย มีเจริญก็มีเสื่อมเช่นมีข้าวของเงินทองบางทีก็มีมากบางทีก็มีน้อยมีเจริญเวลาได้มามากๆากก็เจริญเวลาเสียไปก็เรียกว่าเสื่อมทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราไปอยากให้เที่ยงแท้แน่นอนหรืออยากให้เป็นไปตามความต้องการของเรา ก็อยากจะให้เจริญอย่างเดียวอยากจะให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเวลาที่ไม่ได้เป็นไปตามความอยากมันก็จะทำให้ใจของเราทุกข์ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ใจเราก็ต้องยอมรับความจริงของสิ่งต่างๆว่าเขามีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับเราไม่ไปอยากให้เขาไม่เสื่อม เราจะไม่ทุกเวลาที่เขาเสื่อมนี่คือปัญญาความรู้ที่เราจะต้องมาสอนใจเราใหม่เพราะใจของเรามักจะมองอะไรแล้วมักจะเห็นว่าเที่ยงคิดว่าเที่ยงที่ว่าจะอยู่กับเราแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง บางทีก็เปลี่ยนไปในทางที่เราชอบเราก็เกิดความสุขใจเวลาบางทีก็เปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจเพราะเรายังอยากให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่เราชอบนั่นเองเราไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราอยากไปอยากให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบ เพราะไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบคือเขาจะต้องมีการเสื่อมอมีการเสียมีการดับมีการพัดภาาจากกันนี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเราต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆยเพื่อที่เวลาเขาเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบ เราจะได้ไม่เสียใจเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเพราะเราจะยอมรับความจริงได้เพราะเรารู้ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เช่นร่างกายของพวกเราก็เช่นเดียวกันร่างกายของพวกเราเราก็ชอบให้มนันเปลี่ยนไปในทางที่เราชอบเช่นตอนที่เป็นเด็กก็อยากจะให้มันเจริญเติบโตกเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะได้ไปทําอะไรแบบที่ผู้ใหญ่ทําได้ แต่เด็กยังทําไม่ได้พอร่างกายจเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเราก็ยิ่งดีใจชอบใจไปใหญ่นแต่ต่อไปร่างกายมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่โตอีกแล้วมันก็จะมีแต่นับถอยหลังมันก็จะเสื่อมลงมันก็จะเริ่มแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อย นี่เป็นช่วงที่เราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราไม่ชอบแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับคามเปลี่ยนแปลงแบบที่เราไม่ชอบเราก็ต้องยอมรับมันเราอยากไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนอย่าไปอยากาให้ร่างกายไม่แก่อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะถ้าอยากแล้วจะต้องผิดหวัง เพราะร่างกายมันจะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจกับความแก่ความเจ็บหรือความตายของร่างกายเราก็ต้องสอนใจให้รับความจริงของร่างกายถ้าละถ้าใจยอมรับความจริงไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ใจก็จะไม่ทุกเวลาที่เกิดการแก่การเจ็บการตายขึ้นมาเช่นเดียวกับการที่จะต้องมีการพัดพากจากกันออทุกคนมาอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันไปออบางทีก็จากกันตอนเป็นเช่นย้ายที่อยูเออ่เขาต้องมีความจาเป็นจะต้องไปอยู่อีกเมืองนึงไปอยู่อีกประเทศนึง อันนี้ก็มีการพัดพาคจากกันในขณะที่เป็นหรือพัดพาคจากกันในขณะที่ตายบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายก็ตายได้หรือบางคนไปประสบอุบัติเห ต, หหปปตุเกิดลดคว่มเกิดอะไรขึ้นมาก็ตายได้หรือบางคนก็ไปพบกับภัยชนิดอื่นเช่นเกิด ถูกการถูกผู้อื่นฆ่าตายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเหมือนกันอา น, นิจังนี่คือสิ่งต่างๆที่เราควรที่จะหัดคิดกันไว้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะถ้าเราไม่หัดคิดไม่หัดเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เวลามันเกิดขึ้นมันจะเราจะทำใจไม่ได้ เราจะเศร้าโศกเสียใจจะร้องห่มร้องไห้และขณะที่ยังไม่เกิดเราก็จะมีแต่ความวิตกมีแต่ความหวาดกลัวกลัวว่าเหตุการณ์ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเราเองหรือกับคนที่เรารักหรือกับสิ่งที่เรารักแต่เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการหมั่นพิจารณาทางปัญญาอยู่เรื่อยๆคือหมั่นศึกษาว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดหรือว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมันจะต้องมีการเสื่อมไปมีการหมดไปนี้คือเรื่องของปัญญาที่เราจะมาสอนใจหลังจากที่เรามีความชํานาญในการเข้าออกสมาธิแล้วมีความชํานาญในการควบคุมจิตใจ ให้อยู่เฉยๆให้เป็นอุเบกขาถ้าเราสามารถควบคุมใจให้เฉยๆ เ, เป็นอุเบกขาคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้เวลาที่ใจไปคิดอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นสิ่งเป็นอย่างนี้เราก็จะห้ามใจได้ห้ามไม่ให้มันอยากได้เพราะเรารู้ว่าถ้าไปอยากแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทุกข์เพราะมันจะไม่สมอยาก สิ่งที่เราอยากนี้มันขัดกับความเป็นจริงสิ่งที่เราอยากก็คืออยากให้สิ่งต่างๆเป็นนิจจังสุขของอัตตานั่นเองอยากให้สิ่งต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงให้ให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเป็นของเราตลอดอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราตลอดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เป็นนิจจังสุขของอัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือเรื่องของการสอนใจให้เกิดปัญญาหรือให้เกิดสัมาทิฏิถ้าไม่รู้จักสอนใจด้วยปัญญาก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมเราก็จะมักจะได้ยินเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆพอเราได้ยินเราก็เอามา ฝึกสอนใจให้คิดไปในแนวของอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรก็บอกว่าไม่เที่ยงนะอาจจะต้องมีการจากกันเมื่อไหร่ก็ได้นะเห็นสามีเห็นภรรยาก็บอกว่าไม่เที่ยงนะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดนะอาจจะต้องมีการจากกาันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องเห็นลูกเห็นหลาน เห็นทรัพย์สมบัติเห็นอะไรก็ตามต้องเห็นอ น, นิจจังขึ้นมา ท, ทันทีถ้าเห็นอ น, นิจจังมันจะได้ไม่ประมาทมันจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆมันจะคอยเตรียมตัวเตรียมใจรอรับวันที่จะต้องมีการพัดพ้าจากกันพอเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ เกิดการพัดพากจากกันมันจะรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกวุ่นวายไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเศร้าโศกไม่รู้ไม่มีความอะไรอาวรจะรู้สึกเฉยเฉยนี่แหละวิธีการดับทุกต้องดับแบบนี้ดับด้วยการเฉยเฉยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับลงไป ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของโลกเป็นความจริงของโลกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมอย่างนี้ไปนี่คือความเป็นจริงของโลกนี้ ของโลกที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเราคือใจเรามากับใจนะมาเกี่ยวข้องกับร่างกายมาเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆมาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองแล้วเราก็มาทุกกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเตือนใจสอนใจว่า สิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี้มันไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับมีการพัดพลาดจากกันเสมอถ้าเราไม่ฝึกจิตให้อยู่เฉยๆให้นิ่งให้สงบเราจะควบคุมความอยากไม่ได้ควบคุมความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ควบคุมความทุกข์ไม่ได้เวลาเกิดเหตุการณ์ที่มากระทบกับจิตใจของเรา นี่คือหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสงบไม่ทุกไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆเราต้องมาฝึกทําสมาธิฝึกสอนใจให้มีปัญญาและการที่เราจะฝึกใจฝึกสมาธิฝึกใจให้มีปัญญาได้ เราต้องการเราก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมนี่แหละเพรการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เพื่อที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีควบคุมรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องด้วยไปสัมผัสรับรู้ด้วยถ้ามีสมาธิมีปัญญาใจของเราก็จะเป็นอุเบกขา จะสักก่งแต่ว่ารู้จะวางเฉยได้เวลามีอะไรมากระทบกับจิตใจจิตใจจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจไม่รู้สึกซึมเศร้าไม่รู้สึกอะไรอววรไม่รู้สึกหวาดกลัวใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้นี่คือเรื่องของ เราเองที่เราจะต้องมาฝึกมาทำกันเอง mm hmm. เพราะเรื่องจิตใจ mm hmm. ก็เหมือนร่างกายที่ทุกคนต้องดูแลกันเอง mm hmm. คนอื่นดูแลให้เราไปตลอดไม่ได้ mm hmm. ถ้าร่างกายของเราตอนที่เราเป็นเด็กเราก็อาศัยพ่อแม่ช่วยดูแลให้ไปก่อนเพราะตอนที่เราเป็นเด็กทารกเรายังไม่สามารถที่จะดูแลร่างกายของเราได้อ่านน้ำเองไม่ได้ กินอาหารเองไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวเองไม่ได้ขับถ่ายเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่มาช่วยทำให้ก่อนแต่พอเราจเจริญเติบโตขึ้นมาเราก็หัดทำเองได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่มีเกี่ยวเรื่องของทางร่างกายเราตอนต้นก็ต้องอาศัยพ่อแม่ช่วยดูแลร่างกายของพวกเราไปก่อน แต่พอเราโตขึ้นเราก็หัดดูแลร่างกายของเราเองต่อไปเราก็ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เราก็มีที่พึ่งของเราเราเป็นที่พึ่งของเราได้เราดูแลร่างกายของเราได้ส่วนจิตใจก็เหมือนกันจิตใจของพวกเราตอนต้นก็จะเป็นเหมือนทารกเป็นเด็กทารกที่ยังดูแลปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้เสียใจ ไม่ให้เศร้าโศกได้ด้วยตนเองเราก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ทางจิตใจผู้ใหญ่ทางจิตใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ีทำไมเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็เพราะว่าเรายังไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ใจของเรายังทุกข์ยังวุ่นวายยังเศร้าโศกเสียใจ ยังหวาดกลัวยังวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั่นสิ่งนี้กับคนนั่นคนนี้อยู่ใจของเรานี่ทุกแทบทุกวันเชื่อไหมตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาบางทีก็พอลืมตาขึ้นมาก็ทุกแล้วโอ้ยเบื่อแล้วเกินชีวิตนี้ทําไมมันวุ่นวายหนอะทุกขึ้นมานะ้วโอ้ยเบื่อแล้วเกินต้องไปดูแลร่างกายต้องอาบน้ำต้องแต่งตัว ต้องไปทำงานต้องไปเรียนหนังสือความทุกข์มันมีแทบตลอดเวลาเพราะใจของเรามันมีความอยากแทบตลอดเวลานั่นเองแล้ว ม, มันมักจะไปอยากในสิ่งที่มันไม่ได้ไม่มีนั่นเองมันก็เลยทุกข์เราจึงต้องมาอาศัยคนที่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆ ซึ่งในโลกนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ดีเท่ากับพระพุทธพระเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสามารถดูแลจิตใจของพระองค์ไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็เอามาสอน คำสอนก็เรียกว่าพระธรรมผู้ใดได้ฟังพระธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามได้ต่อไปก็จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้เป็นผู้ดูแลรักษาใจของตนเองได้ผู้ที่ดูแลรักษาใจของตนเองได้ด้วยการด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงสารกนั่นเองนี่คือที่มาของพระพุทธพระธรรมพระสงค์ ที่พึ่งทางใจของพวกเราถ้าเราอยากจะสอนใจให้ใจของเรานี่อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ใจเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี้ก็ถือในลักษณะของการถือท่านเป็นอาจารย์เป็นคนสั่งคนสอนเราถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ เราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนและต้องปฏิบัติตามเราจะไม่ไปเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของผู้อื่นถ้ามันขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคำสั่งคำสอนของผู้อื่นไม่ขัดกันก็เชื่อได้ยังใช้ได้อยู่เช่นพ่อแม่สอนให้เราทำดีอันนี้ไม่ขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำตามได้ แต่ถ้าพ่อแม่สอนให้เราไปทำบาปอย่างนี้เราต้องไม่ฟังเชื่อไม่ได้เพราะมันขัดกับคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ทำบาปแต่ถ้าพ่อแม่สั่งว่าให้ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เราก็ไม่ทำตามก็ได้ไม่ถือว่าเป็นการในละคนหรือไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพพ่อแม่ เพราะสิ่งที่พ่อแม่สอนนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษกับเราการไม่กระทาตามคำสอนที่เป็นโทษกับเรานี้ไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพหรืมหรือการไม่กระตันยูแต่ถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะทาตามเช่นพ่อแม่สอนว่าให้ไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนเทุกวัน ให้ตั้งใจเรียนหนังสืออย่าหนีเรียนอย่าเที่ยวอย่าเล่นอย่างนี้อันนี้เป็นคําสอนที่ไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะทําตามได้ น, นี่คือเรื่องของการถือสาระถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถือเป็นอาจารย์กราบไหว้ก็กราบไหว้ในฐานะลูกศิษย์กราบไหว้ครูบาอาจารย์ การกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้ห้ามให้เราไปกราบไหว้ผู้อื่นเรายังกราบไหว้พ่อแม่เราได้ ย, ยังกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้อยู่ไม่ไม่เป็นการขัดกันเพราะว่าเป็นการแสดงความเคารพซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามีความเคารพต่อบุคคลที่สมควรต่อความการให้ความเคารพนั่นเองคือผู้ที่เขามี อฐานะที่สูงกว่าเราเช่นมีอายุมากกว่าเรามีวัยวุฒิหรือมีคุณอาวุธมีคุณสมบัติที่มากกว่าเราเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านมีศีลมีสัตว์มากกว่าเราเราก็กับพระสงฆ์องค์เจ้าได้หรือกาบพระมหากษัตริย์ได้เพราะท่านมีบา ร, รมีมากกว่าเราหรือกาบไหว้คนที่เขาร่ารวยกับเราก็ได้ เขามีเงินมากกว่าเรากราบเขาเราดีไม่ดีเขาก็จะได้แบ่งเงินมาให้เราใช้ได้ถ้าไม่กาบเขาเขาก็อาจจะไม่แบ่งเงินมาให้เราใช้ก็ได้ดังนั้นการกราบไหว้นี้ไม่จาเป็นว่าจะต้องกาบเพียงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นยังกาบไหว้บุคคลอื่นได้ถ้าเขาเป็นบุคคลที่สมควรต่อการกราบไหว้หรือเวลาที่เรามีมีเหตุจาเป็นที่จะต้องไป ร่วม ง, งานของศาสนาอื่นเขาการมีการไหว้ศาสนาของเขาแล้วก็ไหว้ตามเขาก็ได้อันนี้ไหว้ไม่ได้ไหว้เพราะว่าไปถือเ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ไหว้เพราะถือว่าเป็นมารยาทของการเข้าอยู่ในสังคมมันเดียวกันเราไม่ต้องการที่จะไปขัดไทยไม่ต้องการไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้อื่นเมื่อมัน มันเป็นการเพียงแต่แสดงความเคารพกราบไหว้ก็กราบไปแต่ถ้าไปเอาคําสั่งคําสอนของศาสนาอื่นที่ขัดกับคําสั่งคําสอนของศาสนาพุทธอย่างนี้ก็ทําไม่ได้เกนศาสนาอิสลามเขาสอนให้มีภรรยาได้สี่คนอย่างนี้ถ้าเอามาทำก็ขัดกับคําสอนของพุทธศาสนา ดิศให้มีสามีมีภรรยาได้เพียงคนเดียว อ, อย่างนี้ก็ทาไม่ได้ <Yeah. S 1> คาสั่งคำสอนใดที่ไม่ขัดกับคำสั่งคาสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็สามารถทำได้แต่คำสั่งคำสอนใดที่ขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ทำไม่ได้ <Yeah. S 1> ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาคำสั่งคำสอนอยู่เรื่อย เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สอนให้พวกเราทําอะไรกันและห้ามไม่ให้พวกเราทําอะไรกันเพราะเวลาต่อไปถ้ามีเราไปเรียนหนังสือไปเรียนศึกษากับผู้อื่นถ้าเขาสอนอะไรที่ขัดกับคําสั่งคําสอนเราจะได้รู้ว่าขัดกันและเราจะได้ไม่ทําตามได้ น, นี่คือเราต้องมีที่พึ่งทางใจ ก่อนที่เราจะเป็นที่พึ่งของเราเองได้ตอนนี้เราอย่าพึ่งพึ่งทางเรายังพึ่งตัวเราเองไม่ได้ในการที่จะดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้วิตกกังวลไม่ให้หวาดกลัวไม่ให้เศร้าโศกเสียใจไม่ให้ว้าวเวเราก็เลยต้องไปศึกษาต่อคนที่รู้จักวิธีรักษาใจให้ปลอดจากความทุกข์ต่างๆ ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาก็คือการฟังเทศฟังธรรมนี่เองสมัยนี้นอกจากการฟังธรรมแล้วเรายังมีวิธีอื่นที่จะศึกษาได้มีหนังสือธรรมะให้เราได้ศึกษามีวิดีโอให้ดูให้ฟังมีเครื่องบันทึกเสียงแท บ, บันทึกเสียงต่างๆให้เราเปิดฟังได้ วิธีเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นวิธีศึกษาธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันและการที่จะเรียนรู้รับรู้ความรู้ได้อย่างสูงสุดได้อย่างเต็มที่ก็ต้องศึกษาหรือฟังเทศฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบถึงจะได้รับผลน้อยปรเได้ประโยชน์สูงสุด สำหรับท่านผู้ที่อาจจะคิดว่าเวลาทำงานแล้วก็เปิดธรรมะฟังไปด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามทำได้เพียงแต่ว่าประโยชน์จะไม่ได้เต็มร้อยเพราะเวลาที่เราฟังทำกับเวลาที่เราทำงานพร้อมๆกันนี้ใจของเราจะต้องแบ่งไปสองที่แบ่งมาที่งานที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็กลับไปที่ธรรมะที่เราฟัง เราก็เลยไม่ได้ฟังธรรมะอย่างต่อเนื่องเพราะเราต้องกลับมาดูงานที่เรากำลังทำอยู่การฟังแบบนี้จะไดไ้ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดได้บ้างอาจจะไม่ได้เต็มร้อยอาจจะได้ห้าสิบห้าสิบเพราะเราต้องแบ่งใจมาที่งานห้าสิบแบ่งไปที่การฟังธรรมห้าสิบแต่ก็ถ้าถามว่าถ้าระหว่างการฟังธรรม ในขณะที่ทํางานกับฟังเพลงอันไหนจะดีกว่าก็ต้องบอกว่าการฟังธรรมนี่ดีกว่าการฟังเพลงหรือการฟังข่าวสารทางบ้านเมืองฟังข่าวเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องอะไรต่างๆความรู้ทางโลกนี้สู้ความรู้ทางธรรมไม่ได้ความรู้ทางธรรมดับความทุกข์ใจได้ความรู้ทางโลกนี้ดับความทุกข์ใจไม่ได้ดังนั้นถ้าเรา ต้องเลือกระหว่างการฟังเรื่องทางโลกฟังข่าวสารฟังเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ฟังเรื่องการเมืองการบ้านการเมืองหรือการฟังเพลงถ้าเลือกก็ควรจะเลือกฟังธรรมดีกว่าแต่ถ้าจะให้เลือกการฟังธรรมแบบไม่ทำอะไรกับการทำอะไรก็ควรจะเลือก ฟังทแบบไม่ทาอะไรจะดีกว่าก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นั่นเองนี่คือเรื่องของการฟังทมการศึกษาเพื่อให้เราได้เรียนรู้วิธีที่จะรักษาใจของพวกเหล่านี้ไม่ให้ทุกไม่ให้วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราฟังแล้วเราก็จะได้รู้วิธีปฏิบัติคือเราก็ต้องไปฝึกจิต ทำใจให้สงบพอเราฟังธรรมเราก็ได้ฝึกจิตไปในตัวถ้าฟังธรรมแบบไม่ได้ทำอะไรแบบนั่งเฉยๆเราก็จะได้ฝึกสมาธิไปในตัวด้วยถ้าเราฟังธรรมแล้วทำงานไปเราจะไม่ได้ฝึกสมาธิเพราะยังร่างกายมีการเคลื่อนไหวมีการกระทําเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวจิตใจก็ยังมีการกระทําอยู่ พรจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเองถ้าเราต้องการฝึกสมาธิด้วยการฟังธรรมเราก็ต้องนั่งเฉยๆแล้วฟังธรรมไปแล้วจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบหรืออย่างน้อยก็ระ ง, งับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆได้ทําให้ใจเบาสบายพอกา ร, รการแสดงธรรมเสร็จก็อาจจะนั่งสมาธิต่ตอได้นั่งดูลมหายใจต่อไปได้ ถ้าไม่ได้ฟังธรรมพอจะให้นั่งดูลมดูไม่ได้เพราะใจฟุ้งยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้การฟังธรรมเป็นวิธีกล่อมใจให้ระงับความฟุ้งซ่านต่างๆก่อนพอความฟุ้งซ่านหมดแล้วทีนี้ใจก็สามารถดูลมหายใจเข้าออกต่อไปได้การฟังธรรมจึงได้และประโยชน์หลายอย่าง ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ได้ฝึกสมาธิไปในตัวถ้านั่งแบบกายว่าจใจที่สงบนั่งกายไม่ทำอะไรว่าจจไม่พูดไม่คุยกันใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังไปก็จะได้สมาธิหรือได้ความรู้ที่จะเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป คือกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองนี่คือเรื่องของประโยชน์อันสูงสุดที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันจึงควรมีความยินดีในธรรมเพราะความยินดีในธรรมนี้เป็นชนะความยินดีทั้งปวงเพราะความยินดีในธรรมจะทำให้เราได้ลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวง รสแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือรถแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองที่ไม่มีอะไรที่จะให้กับใจของเราได้นอกจากรถแห่งธรรมเท่านั้นยึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันหยุดทางานนี้ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและการสิ้นสุดของความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุมูธนาให้พรยาถาวาริวาหาบุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุินางเตตานังอุปกาปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจตุสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวะโสยถาไม่โชติวะโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตผวะตวันตาบโสุขีายุโกวะอพิวะธนสลิตสานิจังวุฒาปจายโน ยะตาโรธมรวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังอ่าวันนี้ตอนนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาทางบ้านวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ เฟซบุ๊กหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนครับ y o u t u สองร้อยเก้าคนครับวิทยุออนไลน์สามสิบเก้าคนครับผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสิบสี่คนครับรวมทั้งหมดห้าร้อยสิบสาคนครับเราจัดถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยมีคำถามจากทาง YouTube นะคะคุณสีวะค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับปัญญาต้องอาศัยความคิดใช่ไหมครับแล้วความคิดนั้นต้องมีการเห็นชอบและการดำริชอบใช่หรือไม่ครับความเห็นชอบก็คือความรู้ที่เราเรียนรู้จากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นยังไง พ่อพระเจ้าสอนอนัจจังทุกขังอนัตตาเราก็มาหัดคิดดูว่าอ น, นิจจังเป็นยังไงอ น, นิจจังก็เป็นอย่างนี้อย่างไมโครโฟนเนี่ยเห็นไหมมันไม่แน่นอนบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีถ้าไปอยากให้มันดีไม่เตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนเกิดเวลาไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรมาแก้ไขนี่เรารู้นี่ว่ามันไม่ดีเราก็เลยมีสองสามตัวมาคอยหลอกไหม ตัวนี้ไม่ดีก็ใช้อีกตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าไม่สามารถหาตัวสำรองมาแก้ได้ก็ต้องทำใจเช่นร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องไม่ดีร่างกายไม่ดีนี่แก้ยากเพราะไม่มีตัวสำรองอาจจะแก้ได้บางส่วนเช่นมีเดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนอวัยวะได้า ต, าได ต, าไดตาไม่ดีก็เปลี่ยนตาได้ก็เปลี่ยนไป แต่เมื่อถึงเวลาที่มันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอ น, นิจจงนี่คือความคิดนี่คือการสอนใจให้เกิดปัญญาการต้อนอาศัยปัญญาของพระเจ้ามาสอนเราแต่มันลืมพระเจ้าสอนอนิจจงทุกข์ฐานะตามันเลืมมันยังไม่เข้าใจเราต้องมาคิดจนกว่าเราจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมคําถามจากคุณวชิรวิทย์ค่ะ กลาบนมัสการพระอาจารย์เรียนถามว่าถ้าเราฟัง YouTube เกี่ยวกับธรรมะเป็นประจำแล้วเกิดได้ข้อคิดใหม่ๆความคิดเปลี่ยนละวางได้มากขึ้นเป็นทุกน้อยลงจะถือว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมเล็กๆได้ไหมครับก็จะถือว่าอย่างนั้นก็ได้ ถ้าเราสามารถเอาธรรมะที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาดับความทุกข์ใจของเราได้ก็ถือว่าเป็นการมีดวงตาเห็นธรรมแต่ดวงตาเห็นธรรมที่เราที่ในทางศาสนากล่าวถึงนี้หมายถึงดวงตาเห็นธรรมของพระอริยบุคคลคือดวงตาเห็นธรรมเกี่ยวกับร่างกายเห็นว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายเป็นธรรมดา สามารถปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุก์กับความเป็นความตายของร่างกายได้ถึงจะเรียกว่าเป็นการเห็นธรรมอย่างแท้จริงคำถามจากคุณสุบินกราบขออนุญาตถามครับการที่เราเห็นพี่น้องการคนใดคนหนึ่งกำลังตกทุกข์เดือดร้อนทุกทางเราก็ช่วยเหลือตามกำลังพอตัวเองก็มีภาระ จึงบอกพี่น้องให้ช่วยเหลือกันอย่างนี้ลูกทำถูกไหมเจ้าคะก็บอกได้แต่เขาจะทำหรือไม่ทำก็เรื่องของเขาก็ไม่ทำก็อย่าไปโกรธเขาเราทำส่วนที่เราทำได้ไปคาถามจากคุณเชอร์เบลคะ่ะกาบเรียนถามเจ้าคะ่ะเวลาไปปฏิบัติธรรมมันจะมีความคิดแว บ, บหนึ่ง เข้ามาเป็นความคิดที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากคิดในสิ่งที่ไม่ดีแต่มันกลับยิ่งคิดและรู้สึกไม่ดีที่คิดแบบนี้เราควรทำยังไงดีเจ้าคะ่ะกลาบสาธุเจ้าคะ่ะเดี๋ยวไปมีปฏิกิริยากับความคิด <c oughs> ให้รู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับให้รู้เฉยๆถ้าถ้าเราไปคิดไม่ดีมันก็ยิ่งทำให้เราคิดมากใหญ่ ให้รู้ว่าเป็นเรื่องของจิตของเราที่ยังมีทั้งความคิดที่ดีและไม่ดีปนกันอยู่มันก็สามารถโผขึ้นมาได้วิธีที่เราจะไม่ไปวุ่นวายไปกับมันก็คือให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มีเกิดมีดับเหมือนเหมือนแดดออกเหมือนฝนตกนเราห้ามมันไม่ได้เวลาออกก็รู้ว่ามันออกเวลามันตกก็รู้ว่ามันตกพอเรารู้ปั๊บมันก็จะหยุดะ แต่พอเราไปอยากให้มันไม่เกิดมันยิ่งคิดใหญ่อย่าไปอยากให้มันไม่คิดมันคิดก็รู้ว่ามังคิดอย่างนี้ไม่ดีนะก็บอกแค่นี้เองเอหรือถ้าอยากจะให้มันหยุดก็ใช้วิธีบริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนก็ได้อันนี้พุทโธสามารถหยุดได้แต่พอหยุดพุทโธมันก็จะคิดใหม่ได้ก็ถ้าอยากจะให้มันไม่คิดก็ต้องใช้พุทโธไปเรื่อยๆหรือไม่เช่นนั้นก็ยอมรับว่ามันยังต้องคิดอยู่ เแต่ว่าอย่าไปสนใจอย่าไปติดตามความคิดนั้นพอรู้ว่ามันคิดไม่ดีแล้วพอรู้ว่ามันหยุดก็อย่าไปตามมันถ้ามันถ้ามันยังจะกลับมาบ่อยๆเราก็ใช้พุโทโธไปก่อนคำถามจากคุณฐานิตาค่ะ <c oughs> กลับเรียนถามพระคุณเจ้าลูกไปถือสินแปดแล้วทาครีมที่ใบหน้าแก้ผิวแห้ง ลูกจะบาปหรือเปล่าเจ้าคะถ้าเป็นการรักษาผิวไม่บาปนะใช้ได้คถ้าถ้าเป็นการเสริมความงามถึงอย่างถือว่าผิดศีลเราไม่ต้องการเสียเวลากับการมาเสริมความงามทางร่างกายที่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเหี่ยวต้องเช้าไปบานไม่รู้เลยไม่มีดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับความสวยงามทางร่างกาย มาให้มากังวลกับความสวยงามทางจิตใจด้วยการเพิ่ด้วยการรักษาศีลเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเอาเวลามารักษาความสวยงามทางจิตใจดีกว่ามาฝึกสมาธิมาฝึกสติกันคนถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณบุญรักษากราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมออกรถมาใหม่ หลายคนบอกว่าต้องให้พระเจิมรถให้ผมควรนำรถไปเจิมกับพระสงฆ์ไหมครับขอบความอนุเคราะห์ตอบปัญหาให้กระผมด้วยครับอ๋อรถมันดีแล้วก่อนที่เขาจะมาขายนี้เขามีขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพทดสอบทุกอย่างรถ ด, ดีร้อยเอร์เซ็นตไอ้ที่ไม่ดีคือคนขับนะถ้า จ, จะเจิมต้องไปเจิมคนขับและวิธีเจิมคนขับก็ไม่ใช่เอาแป้งมาปะที่หน้าผาก ต้องเจิมด้วยธรรมะต้องสอนธรรมะให้รู้จักวิธีขับรถอย่างปลอดภัยคืออย่าเมาแล้วขับเนี่ยนะอย่าดื่มสุราอย่าเมาให้รักษาศีลห้าไว้ให้มีสติคอยควบคุมใจโดยเฉพาะเวลามันอยากพอมันอยากแล้วมันจะรีบร้อนพอรีบร้อนแล้วมันก็จะทําให้เกิดภัยเกิดอุบัติเหตุได้ เวลาขับต้องหนึ่งต้องมีสติไม่เมาสองมีสติคอยควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆเวลาอยากเราอยากจะไปเร็วๆมันก็จะวิ่งเร็วเกินเกินความปลอดภัยแล้วก็เกิดภัยก็ต่างๆขึ้นมาได้อย่างมีบทความที่เขาเขียนเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณคนก็ซื้อรถใหม่ก็ไปอขอให้หลวงพ่อคูณ ช่วยเนอะไปนั่งด้วยอหลวงพ่อกูถามว่ามึงขับเร็วเท่าไหร่ะบางทีผมก็ร้อยร้อยห้าสิบ้ยหกสิบโอ้ยพอมึงเกินแปดสิบกูก็กระโดดลงแล้วล่ะมันไม่ได้อยู่ที่พระนะอยู่ที่คนขับรถก็ดีอยู่แล้วส่วนใหญ่อุบัติเหตุมันเกิดจากคนขับทั้งนั้นนะ่ะน้อยครั้งที่เกิดจากรถที่เกิดจากรถก็เพราะว่าคนขับไม่ไม่ทํานุบํารุง ซ่อมบำรุงรถตามเวลาควรปล่อยปะละเลยเบรกไม่ดูอะไรไม่ดูพอถึงเวลาเบรกมันก็เสียกระทันหันขึ้นมาได้ดังนั้นอย่าไม่ต้องไปเจิมด้วยแป้งหรอกถ้าเจิมด้วยแป้งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะเจิมก็เนี่ยจะไปเจิมคนคือไปศึกษาวิธีขับรถที่ปลอดภัยคําถามต่อไปค่ะขอกลับเรียนถามค่ะ รวมหล่อลูปเหมือนพระอาหารหันต์ได้บุญเท่ากับหล่อพระพุทธองค์ไหมคะมันไม่ครับมันไม่มีบุญในพระพุทธรูปหรือพระอาหารหันต์หรอกมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอาหารหันต์ร่างกายมันก็เป็นร่างกายนะที่มีไว้ก็เพื่อให้เราเระลึกถึงพระคุณของท่าน เราเล็กถึงคําสอนของท่านอันนั้นต่างหากที่เรามีรูปเหมือนต่างๆไว้ไม่ใช่มีแล้วไปตั้งไว้ในบ้านแล้วจะปกป้องคุ้มครองรักษาบ้านไม่ให้ไฟไห ม, ไม้ไม่ให้ก ม, มยขึ้นบ้านอะไรงนี้มันไม่มัน ม, มันทำหน้าที่ไม่ได้หน้าที่นี้ไม่ได้หน้าที่ของพระพุทธรูปก็เพียงแต่ให้เราลำเลึกถึงประวัติอันดีงามของท่านเราเลึกถึงคําสั่งคําสอนของท่านอันนี้ต่างหาก เพื่อที่เราจะได้น้อมเอามาสอนใจมาปฏิบัติตามท่านั้นเองถ้ามีแล้วไม่ไปสนใจเรื่องไม่รู้ว่าประวัติของท่านความดีงามของท่านเป็นอย่างไรท่านสอนให้เราทำอย่างไรมีไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคาถามจากคุณปานจิตคะ่ะกับขอกับเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะยมชอบโ อ, อนเงินไปทาบุญ แต่โยมไม่ได้บอกสามีอย่างนี้เงินที่เราทําบุญจะเป็นเงินบริสุทธิ์หรือไม่เจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเราตกลงกับสามีไว้อย่างไงว่าเงินนี่ต่างฝ่ายต่างใช้กันได้โดยที่ไม่ต้องบอกกันถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ถ้าตกลงไว้ว่าจะใช้เงินก้อนนี้ต้องคุยกันก่อนต้องแจ้งให้ทราบก่อนต้องมีความเห็นพร้อมกันก่อนถ้าอย่างนี้ก็ ก็ก็ไม่ถูกต้องถ้าเราทาโดยพาาระละกันทาโดยที่เขาไม่รู้แต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นของของกันและกันใครจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เขาก็ใช้ได้เราก็ใช้ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ที่ว่าเรามีข้อตกลงกันไว้อย่างไรคำถามจากคุณเชอร์เบลคะ่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์เพื่อนฝากถามเจ้าคะ่ะ ลูกชอบมีปัญหากับแม่แม่จะเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายจะทําใจยังไงกับเรื่องนี้เจ้าค้ากราบสาธุเจ้าคะ่ะเพราะเราไม่อยากให้แม่เป็นอย่างนี้นั่นเองความอยากของเราเลยทําให้เรามีความอารมณ์ไม่ดีมีความหงุดหงิดใจไม่อยากจะอยู่ใกล้ท่านเราต้องทําความเข้าใจว่าท่านเป็นอย่างนี้แหละตอนที่เราเป็นเด็กเราก็อยู่กับท่านได้ ทำไมพอเราโตแล้วทำไมจะอยู่กับท่านไม่ได้เราต้องเปลี่ยนใจของเราอย่าไปเปลี่ยนแม่แม่เปลี่ยนไม่ได้แต่เราเปลี่ยนใจของเราได้ด้วยการนับลึกถึงพระคุณของท่านให้มากๆพระคุณของท่านนี่ล้นหลาม ก, ก, ก, ก, ก, กับกัับบกการกกกัับบารเป็นของท่านนี่มันเรื่องเล็กมากท่านเป็นอะไรก็ปล่อยท่านเป็นไปอแต่พระคุณของท่านนี่ยิ่งใหญ่มหาศาล ถ้าไม่มีท่านแล้วเราจะมีเราได้อย่างไรคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทำใจยอมยอมรับกับความเป็นไปของท่านได้ไม่ไปรังเกียจท่านกลับจะไปรักท่านอยากจะกอดท่านอยากจะอยู่ใกล้ท่านา <c oughs> ไม่มีนะมีใครอยากจะถามไม่มีนะไม่มีก็ดี